สวดมนต์เราได้ปฏิบัติธรรมหลายประการทีเดียวเราตั้งแต่เวลาเรากราบตอนเรากราบด้วยความอ่อนน้อมนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสัมมากรรมตตะได้นะสัมมากรรมตตะการกระทำชอบมันแสดงออกนะด้วย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 ที่จรงตอนที่เราสวดมนต์เนี่ยนะแม้ว่าเราจะไม่ได้กราบแต่ว่าระหว่างที่เราสวดมนต์การที่เราจะไปทําผิดศีลนะข้อที่หนึ่งสองสามสี่ห้านี่ก็เป็นไ ป, นปนไม่ได้นอกจากสมารกรรมตะนอกจากสมาวาิจาแล้วเนี่ยระหว่างที่เราสวดนะเรามีจิตใจอ่นะ แน่ๆอยู่กับบทสวดมนต์เวลาใจเผลอคิดนึกไปในเรื่องต่างๆก็รู้ทันแล้วก็พาใจกลับมาไม่ปล่อยใจลอยอันนี้เราก็กำลังเจริญสัมมาสติแล้วเมื่อจิตใจเราแน่ๆอยู่กับบทสวดมนต์นะมันก็เป็นสัมมาสมาธิได้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 เป็นไปเพื่อเพิ่มพูนนะข้อปฏิบัติต่างๆในอริมักมีองแปดให้มันงอกงามมากขึ้นนะโดยเพราะการจเจริญสัมสมาสตนะิที่นี่เนี่ยก็มีอีกชื่อหนึ่งว่าสถาบันสติปัฏฐานสุกตนมีหลายชื่อนะชื่อเดิมแรกเริ่มเดิมทีก็ชื่อว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 เข้าไปเป็นแล้ว เ, เวลาโกรธนะเวลาโมโหมีความโกรธมีความมีโทสะเกิดขึ้นนะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองโกรธรู้สึกว่าตัวเองนะกลังโมโหก็ไม่รู้ว่าเนี่ยคือเข้าไปเป็นแล้วนะอันนี้เพราะว่า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 ดาก็ดานะมันสังนส่งให้ตะคอกก็ตะคอกมันใช้ตะวาดก็ตวาดมันก็ทําให้เกิดนะมิจฉาวาจาขึ้นนะแล้วบางทีก็ทําให้เกิดนะการผิดศีลขึ้นมามุสาวาดนะสํานักปฏิบัติธรรม หลายต่อหลายแห่งเนี่ยมันมีปัญหาตรงนี้มากนะคือคือการใช้วาจาในทางที่เบียดเบียนกันด่าว่ากันนะหรือว่าดินทานะใส่ร้ายกันไอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นน ะ, ะเฉพาะในนอกวัดเา น, นนะในวัดนี่กนะ็เกิดขึ้นอยู่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 เจตนางดเว้นจากการโกหกการกล่าวเท็จที่จริงแล้วเนี่ยมันมีความหมายที่ละเอียดกว่า น, นั้นในกุศล ก, กรรมบดสิบประการเนี่ยนะจะขยายความนะใหนะ้คลุมไปถึงว่าการนินทานะการพูดเพ้อเจ้อเนี่ยเพ้อเจ้อนี่ก็เป็นนินทาอย่างหนึ่ง การพูดสอ่อเสียดการพูดคำหยาบด่าวา่าด้วยถ้อยคำรุนแรงนะอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องระวังมากนะคนบราณเขาว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังวาจานะส่วนใหญ่ที่เกิดปัญหาในสำนักปฏิบัติธรรมในวัด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 กี่ครั้งนะคุยแล้วก็สนุกสนานไปพอสนุกก็เสียงดังเพื่อนผู้ชายนั่งคิดงานอยู่ใกล้ๆโต๊ะมันใกล้ๆ ก, กันก็คงเครียดกับการคิดงานนะคิดไม่ออกแล้วก็ยิ่งได้ยินเสียงผู้หญิงมานะคุยโทรศัพท์เสียงดังห่างกันประมาณสักห้าเมตรได้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 ฟาดฟาดฟาดนะกระแทกกระแทกกระแทกจนโทรศัพท์พังเนียไม่เลิกกระแทกอีกนะกระแทกกระแทกประมาณสิบครั้งได้นะไม่ท่านั้นไม่หนำใจก็ยังเอาโทรศัพท์โยนควาน้างออกไปไกลๆอย่างดีนะที่ไปไม่ทำลายผู้หญิงนะมันก็มาออกที่โทรศัพท์ผู้หญิงคนนั้นก็ขวัญแตกกระเจิงไปเลย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 ไม่ปล่อยให้ความโกโรธนะความเครียดมันครอบงำใจตรงนี้แหละที่สติเนี่ยสำคัญแต่ก็อย่างที่บอกว่าหลายคนนะมามาอยู่วัดนะเป็นเดือนเป็นปีทีเดี๋ยวไม่รู้ว่าสตินี่คืออะไรครูบาจารยบอกเนี่ยเห็นอย่าเข้าไปเป็นรู้ซื่อซื่อก็ยังไม่เข้าใจอันนี้น่ามาเสียดายมาก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 คนนี้ม่มีสตินี่นก็คือเหมือนกับคนที่ลอยคออยู่ในกระแสน้ําถูกกระแสน้ําพัดพาจะเป็นกระแสตัณหาอโลภะหรือว่าโมหะหรือว่าโทสะก็แล้วแต่คนที่จมอยู่ในกระแสน้าหรือโดนกระแสน้ําพัดพาเนี่ยก็คือก็เปรี่ยนได้วอาเข้าไปเป็นนะเป็นเนี่ยคืออันนั้นแหละมีความโกรธเกิดขึ้นก็เป็นผู้โกรธมีความโลภเกิดขึ้นเป็นผู้โลภ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 บางทีมีเรือสำรานแล่นผ่านก็ดูมันไปแต่ว่าคนที่คนที่ไม่มีสติก็เหมือนกับว่าพอเห็นเรือสำรานแะก็โจรนนะลงน้ำเพื่อไปขึ้นเรือสำรานอยากจะสนุกนะหรือบางทีเห็นหมาเน่าลอยน้ามาก็พยายามลงน้าไปผักไปไสมันนะอันนี้เราเข้าไปเป็นละผักไสก็ดีไขา้คว้าก็ดีก็ถือว่า ไม่มีสติทั้งนั้นนะแต่สติคือเขามันเห็นนะเห็นเพราะว่ามีที่ตั้งนะที่ตั้งคือขอคอยถ้าปฏิบัติแ ล, ล้วมันไม่เจอภาวะแบบนี้เนี่ยนะก็ถือว่ายังไม่ค่อยรู้จักสติเท่าไหร่นะก็ จ, จะทำแต่เรื่องให้ทานหรือว่าฝึกความเพียรหรือว่าฝึกขันตินะแต่ว่าสภาวะ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 น้ำนี่มันเต็มหม้อเนี่ยนะเวลาวางไว้บนหัวเนี่ยนะก็ต้องเดินอย่างระมัดระวังก็ต้องรู้จักอนะเดินให้ให้มีสมดุล น, นะพราะถ้าเดินเอียงน้ําก็กระฉอกนะการที่เดินแล้วก็ทูล น, นะหม้อ น, น้ําไว้บนหัวมันต้องอาศัยการทรงตัวที่ได้สมดุล น, นะพอดีพอดี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 ถ้านั้นไม่พอนะยังคุมปากไม่ได้เนะียก็ใช้วาจาทำร้ายกันทิมแทง ก, ก็ยิ่งแย่ก็ไปใหญ่นะอันนี้มันก็ถือว่าหน้าขายหน้านะเพราะว่าอยู่เป็นชุมชนนักปฏิบัติธรรมจะเจริญสติเนปะ่ปาก็มุ่งว่าอยากจะหลุดพ้นอยากจะนิพพานทุกช้าก็